ครูบาอาจารย์นาก็ให้บ่อยเราก็รับไปไม่ทราบว่าได้กี่ข้อเราก็ต้องสำรวจตัวตาดูว่าสินห้ามีบริบูรณ์สมบูรณ์บริสุทธิ์ผุดผ่องหรือไม่เราต้องสำรวจตัวจตาดาอถ้าเราไม่ดูว่าสินเรามีเท่าไหร่สินเราดีหรือไม่ดีมันด่างมันพ่อยมันมืดมันบอดตรงไหนเราต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลง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 จะอยู่ดีกินดีเทคแคดูแลดีขนาดไหนร่ำรวยสวยงามหล่อเหลาสักพันใดมันก็ต้องเป็นไปตามสภาพของสังขารไม่มีใครจะหลบจะลีกที่จะหนีไปที่ไหนได้เพราะนั้นเราพี่นาทุกวันนุวันนุวันเมื่อมันเห็นตามความเป็นจริงแล้วมันก็ปล่อยได้วางได้สังขารมันจะแตกเกดับไม่เป็นไรเราจะรู้และเข้าใจแล้วถ้าเราปล่อยราวางได้แล้ว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 ไม่เห็นทุกข์มันไม่เห็นทุกไม่เห็นทุกข์มันไม่เห็นโทษมันก็มีความพอใจมีความยินดีจะปล่อยจะวามันก็เสียดายอยู่มันยังยึดยังถือยังมั่นใจอยู่ยังเสียดายอยู่เสียดายอะเสียดายธาตุขันทั้งๆที่แกก็เห็นอยู่เจ็บก็เห็นอยู่ตาก็เห็นอยู่มันก็ยังไม่วายที่จะยึดจะถือจะสาคัญมั่นหมายนั่นคือความเข้าใจผิดชิดผิดเห็นผิด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 บุญกุศลกับของใครของมันอ่ ะ, อะเวลาจากโลกนี้ไปอเราก็เป็นบุญกุศลที่เราทําเอาไว้ก็เป็นสมบัติของเราเราไม่ทําเราก็ไม่มีเล้าก็ไม่ได้อถ้าเราทําเอาไว้อ่าบุญกุศลนั้นอ่ะจะเป็นเพื่อนเราอ่าจะได้ติดตัวเราไปได้ทุกภพกทุกชาติเหมือนกับเงาเราไปที่ไหน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 อย่าไปทำลายอย่าทำให้มันสูญหายพยายามปฏิบัติพยายามดูแลแทคแก ร, รักษาให้มันดีให้มันจเจริญบุญกุศลยังไม่เป็นที่พึงพอใจพยายามสะสมทุกวันทุกวันทุกวันโพนาพุโทพุโตด้วยบุญมันก็ไม่ายากนะตื่นขึ้นมากาหนดนั่งสมาธินั่งห้านาทีสิบนาที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 ให้น้อมนําไปอภาวนาพุโทโธพุธโทโธอย่าลืมพุโทโธเอาพุโทโธก็ได้ไปสวรรค์แล้วไม่ได้ยากนะอดีก็ไปบน่น ไ, ไปด่าลูกหลานไปบ่นลูกบนหลานบ่นให้ผัวสามีภรรยามันไม่ได้บุญอนึกถึงพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธเอาพุโทโธไปแน่หัวใจ นั่นแหะเราก็จะได้มีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญอหอมบุญบรารมีอ่าคุณงามคุณดีคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอพอมาอผูกคลองคุ้มคลองปูกป้องอ่ศรัทธาญาโยทั้งหลายก็มีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญเจริญในธรรมะเจริญในบุญในกุศล